ถ้าเป็นเมื่อกอ่อนอาจจะนึกไม่ออกอะนะตอนที่เขาพวกช่างเขาตัดเหล็กกันนะใช้ใช้แก๊สกันอะไรนะคุณพวกนี้นะออกซิเจนกับกับแก๊สอ่ะผสมกันแล้วก็จุดไฟเนี่ยนะแล้วก็ใช้แรงลมเนี่ยอัดเตาเนี่ยนะโอ้โหเหล็กหนาๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันเตาได้อย่างกับเป่เาเป่าอะไรสักอย่างนะเป่าพรวดพรวดพวดออกไปเลยอ่ะอนะเปลงเก่งจริงๆอ่ะนะซึเมื่อๆๆๆๆก่อนนี้ไม่เชื่อหรอก แต่พอเห็นแป๊บเนี่ยเหล็กเสาเนี่ยตันๆันเนี่ยเป่าไม้แป๊บเดียวเนี่ยตัดขาดหมดอะเก่งมากเลยเปัน้นไฟพวกเนี่ยถ้าในนรกอจะขนาดไหนกขาบอกว่าความอุ่นของไฟนรกนะ ย, ยังยังบางทีก็ยังผ่านไหลมาจนถึงมนุษย์โลกเหมือนกันเช่นถ้าเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านนรกมาที่ตรงนั้นจะเป็นน้ําอุ่นอย่างเช่นในตะโปธานตะโปธานารกเนี่ยนะที่ไหลผ่านมาที่ที่เป็นตะโปธาแม่น้ำนํำน้ําอุ่นตะโปธา ข้างๆเวรุวันเนี่ยนะที่จะมีน้ำอุ่นที่ที่หินพวกฮินดูเขาไปอาบน้ำล้างบาปตรงนั้นนะะในพระสูตรของเราเนี่ยพระ อ, องค์แสดงว่าไอ้น้ำตรงนั้นเนี่ยไหลผ่านตโปธานรกมาความอุ่นมันจึงพุ่งออกมาเนี่ยนะแผ่นเหล็กที่ไฟติดทั่วร้อนอยู่เสมอมีเปลวไฟเนี่ยรุ่งโรดฉันใดอเวจีนรกข้างล่างข้างบนและโดยรอบก็ฉันนั้น ก็ด <hora> ูเปรียบเทียบเวลาเวลาเห็นที่เขาเผายางมาต่อยหรืออะไรพวกกั้นที่เขาทําถนนนั่นนะที่ที่ไฟมันลุกน่อนะแล้วก็พอจะอนุมานว่าเอในอเวจีก็ไฟเนี่ยมันติดอย่างนั้นแหละตลอดการตลอดกลับนะตลอดกลับลาวานะที่พุ่งมาเป็นลาวาใช่ใช่ก็ที่นั่นน่ะคือครากามของเราก็คืออีกพบหนึ่งไง สามารถปฏิสนธิตรงนั้นด้วยเป็นโอปาติกะกาเนิดอยู่เป็นกับกับเนยก็มีหลายกลุ่มนะ ท, ที่ไม่เป็นกับก็มีพวกกลุ่มทาสังฆเพศเนี่ยจะไม่เป็นกับเศษหนึ่งส่วนแปดสิบมหากับเนี่ยแต่ขนาดนั้นก็นับปีไม่ได้อย่างพระเทวทัศน์เนี่ยนับปีไม่ไหวอยู่กี่ปีศัตว์ทั้งหลายในนรกนั้นมีกรรมหยาบมากทากรรมร้ายแรงมาก มีบาปรกรรมโดยส่วนเดียวย่อมหมกไม่อยู่แต่ไม่ตายร่างกายของเหลา่าสัตว์ที่อยู่ในนรกนั้นเหมือนไฟที่ลุกอยู่ร่างกายกับไฟนี่ไม่ต่างกันเลยนะเชิญดูความมั่นคงของกรรมอ่างนั้นนะปัสสะก น, นะกรรมมานังทัลหัดตังเนี่ย น, นะว่ามันมั่นคงมากขนาดนั้นเนี่ยกรรมเท่าและขมเอาไม่ได้มีเลยเหลา่าสัตว์เนี่ยวิ่งไปข้างตะวันออกแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาข้างวิทิตตะวันตก วิ่งไปทางทิศเหนือแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาทางทิศใต้วิ่งไปทางทิศใดๆประตูนั้น่ะก็ปิดเองเนี่ยนะประตูเปิดหลอกอะนะวิ่งไปก็นึกว่าจะออกได้ก็ไม่ใช่สัตว์เหล่านั้นมีความหวังเพื่อจะออกเป็นผู้สแสวงหาประตูที่จะออกสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เพื่อจะออกไปจากนรกนั้นเพราะบาปรกรรมเป็นปัจจัยเพราะบาปรกรรมที่สัตว์เหล่านั้นทาไว้มากยังไม่ได้ให้ผลหมดสิ้น เนี่ยนะเรียกว่ากรรมอื่นยังมีอ่ะนะก็ว่าเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมไปเนี่ยนะก็เรียกว่าเจตนาเนี่ยนะแม้กระทั่งดวงที่สองถึงดวงที่หกเนี่ยนะเมื่อนานขนาดไหนเนี่ยตามมามาเรียกว่าซ้ํำเติมหมดอะ่ะ ท, ที่สะสมเอาไว้ไม่ใช่ไม่จะหมดกันง่ายๆอะ่ะแล้วถามว่าอยู่ในอเวจีเนี่ยมีชาวนะไหมนีชวนะเป็นกรรมไหมเป็นอยู่แล้วไม่ใช่บุญอยู่แล้วนะโทศะเกิดตลอดเนี่ยนะ ไอ้โทสะนั้นก็เป็นเหตุแห่งนรกอยู่แล้วแล้วก็บอกอย่างที่กล่าวนะถ้าเป็นเทวทูตสูตรเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้ากรรมยังไม่หมดนะกลับไปสู่วงจรอันเดิมคือไปไปเริ่มมาเริ่มนับหนึ่งยังไงนะก็เนี่ยสมมติตรงนี้เป็นที่สิบใช่ไหมแล้วก็เมื่อถึงสิบก็หมุนไปหาที่เดิมอะ่ะก็หมุนอยู่อย่างนั้นนะไม่รู้กี่รอบตอกี่รอบถามว่าทุกโทมนัสที่เป็นภัยของสัตว์นั้นเกิดจากอะไร ภัยนั้นเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะจากอาจยาคือกรรมของตนนั่นเองทุกมีในนรกก็ดีทุกที่มีในกําเนิดเดรัจฉานก็ดีทุกมีในเปรติวิสัยก็ดีทุกในมนุษย์ก็ดีเนี่ยนะทุกที่ถูกตัวลักใช่ไหมคุณชูตัวลักมันกัดนะนะ่ที่มนุษย์ก็ดีนี่ไม่ใช่ผลบุญเนาะอน ะ, อะนะไม่ใช่ผลบุญแนะ่ยังไงมัน ทุกในมนุษย์ก็เห็นเห็นกันอยู่นะถามว่าคนที่เกิดมาในโลกคนที่มีความสุขกับมีความทุกข์ไหนมากกว่ากันก็ทุกมากกว่านะคนอยู่แบบสบายๆกับอยู่แบบทุกยากอัานไหนจะมากกว่ากันเนะเพราะนี่จะเห็นว่าทุกทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยบังเกิดก็เกิดจากอาปยาก็คือเกิดจากกรรมของตอนนั่นแหละเนะทุกที่มีอยู่เนี่ยสาวไปหาเหตุได้เลยว่าไม่ใช่ผลของบุญเนยนะ เช่นถ้าเรียนเรื่องอายุสั้นนะถ้าเป็นทุกข์ในมนุษย์เนี่ยเห็นง่ายงว่าอายุสั้นโรคมากก็กลุ่มสายปานาทิบาตเนี่ยนะเกี่ยวกวับเรื่องปัญหาสุขภาพทั้งหมดเลยนะทั้งอายุทั้งสุขภาพด้วยก็สายปานาทิบาตถ้าเกี่ยวกวับเรื่องทรัพย์สินนะี่ยก็กำสายอถทินนาทานถ้าศัตรูมากศัตรูเยอะเนี่ยนะก็สายกาเมสุมิจฉาจานพูดความไม่น่าเชื่อเชื่อถือทางสังคมเนี่ยนะนะก็เป็นผลจากมุสาวาต ส่วนสติปัญญาก็มาจากสายสุราเนะนะี่ยนั้นก็ถ้าว่าไปนะนะกฎเหล่านั้นก็มาจากศีลห้านั่นแหละที่เห็นเห็นจริงศีลห้านี่ยถ้าว่าให้ตรงเขาเรียกว่าภัยเวนภัยเวนที่มีทั้งในโลกนี้ด้วยที่จะมีในโลกหน้าด้วยแต่ว่าเป็นภัยที่น่ากลัวอย่างมากอันนี้นก็ที่มาบัญญัติว่าควรงดเว้นนะ การงดเว้นเรื่องนี้เป็นเป็นมีความสำคัญมากมันก็เลยเรียกว่าศีลเนี่ยนะก็เป็นประเภทวารีศีลเนี่ยนะการงดเว้นเหล่านั้นก็เป็นมหาทานด้วยนะทีนี้ต่อไปว่าท่านทั้งหลายจงดูคนที่ทุ่มเถียงกันคำพูดที่พระองค์ตรัสเนี่ยหมายหมายถึงคนที่ทุ่มเถียงกันเนี่ยใครมั่งที่เถียงกันกษัตริย์ก็เถียงกันนะพราหมณ์ก็เถียงกัน พวกวันนาแพทย์ก็เถียงกันสูตรก็เถียงกันเพราะโดยวันนาสีเนี่ยไม่มีว um, ันนาไทยที่ไม the ่ต right ้องถกเถียงเนยนะหรือโดยเพศไม่ว่าจะเป็นเครือข่าและบัญประชิตเนี่ยนะเครือข่าก็ถกเถียงกันนหมครือข่ายตกเถียงกันเรื่องอะไรเรื่องตามบรญประชิตก็ถกเถียงกันเรื่องทิฏฐิแต่สมัยนี้ไม่ใช่สมัยนี้บรประชิตทั้งถกทั้งเรื่องทิฏฐิกับตามด้วยนันะถกเรื่องตามด้วยถกเรื่องทิฏฐิด้วยนะคือเพิ่มตามมาอีกแล้วนะ เทวดาและมนุษย์เนี่ยนะเทวดาก็ทะเลาะกันเนะีเทวดาก็ยังทะเลาะเช่นอะไรนะอสูรกับเทวดาดทาท้าวสั ก, กะส ว, สวรรค์ชันดาวดึงเนี่ยนะก็ถกกันอยู่เหมือนกันมนุษย์ก็เนี่ยสงครามไม่มีเลิกมีราเนี่ยนั่นก็เป็นกลุ่มคนที่ทุ่มเถียงกันเที่ทุ่มเถียงกันก็คือท่านจงดูจงแลดูเหลียวดูเพ่งดูพิจารณาดูซึ่งคนที่ทุ่มเถียงกันคือคนที่ทะเลาะกัน คนที่ทำร้ายกันคนที่ทำร้ายตอบกันคนที่เคืองกันคนที่เคืองตอบกันคนที่ปองร้ายกันคนที่ปองร้ายตอบกันฉะนั้นจึงดูว่าจงดูคนที่ทุ่มเถียงกันก็คือจงดูปัญหาที่มันมีอยู่ในโลกตอนนี้เนี่ยนะที่มันทะเลาะเบาแวงกันที่มันเข็นฆ่ากันเป็นต้นเนี่ยเราจะแสดงความสังเวชนนะพระองค์บอกว่าพระองค์จะแสดงความสังเวชที่บอกว่าภัยมาถึงแล้วเห็นหมูสัตว์ดำรงอยู่นะ ที่บอกว่าภัยเกิดจากอาทยาของตนทั้งทั้งหลายจงดูคนที่ทุ่มเถียงกันเราจะแสดงความสังเวชตามที่เราได้เห็นมาแล้วเนี่ยนะพระองค์จะจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งเราเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนคาว่าสังเวชเนี่ยเป็นชื่อของโอตปะที่เป็นญาณสัมปยุทธเนี่ยนะโอตปะที่มีกําลังมากแล้วประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าสังเวชเนี่ยนะเราจะแสดงความสังเวชแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่กลัวเป็นน่ยนะพระองค์ไม่ใช่ว่าไม่กลัวเลยนะ กลัวแต่กลัวความชั่วนะกลัวอย่างมากเลยอะซึ่งต่างจากคนในยุคนี้ไหมโดยมากเนี่ยไม่ค่อยกลัวบาป ก, กลัวกรรมอะไรถ้าเทียบกับเรื่องนี้จริงๆแล้วพระ อ, องค์เนี่ยกลัวมากเพราะพระ อ, องค์มากไปด้วยโอตับตะแต่กลัวที่นี้ไม่ได้เป็นชื่อของโทสะนะแต่หมายคือว่าสาคัญว่าโอ้โหนั่นเป็นภัยที่ที่ร้ายแรงหนักน่ารังเกียจมาก คำว่าเราจะแสดงความสังเวชความว่าเราจะแสดงชี้แจงบอกเล่าบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้เตือนประกาศซึ่งความสังเวชคือความสะดุ้งความหวาดเสียวความกลัวความบีบคั้นความกระทบความเบียดเบียนความขัดข้องจึงชื่อว่าเราจะแสดงความสังเวชคําว่าตามที่เราได้สังเวชมาพระองค์เนี่ยสังเวชในสิ่งเหล่านี้มากนะถามว่าสังเวชขนาดไหนพระองค์พิจารณาเดี๋ยวนะ จุดปุเพนิวาสานุสติยานเนี่ยนะสี่ชั่วโมงอ่ะนะท่าพูดถึงคืนแรกปราสรุ้คืนตรัสรุนเนี่ยนะถามว่าชีวิตในในวัฏฏะเนี่ยนะตลอดเสียสงไขแสนกับเนี่ยพระองค์อยู่ที่ไหนมากก็ทั้งพรหมโลกทั้งมนุสโลกอ่ะนะก็คือเนี่ยทั้งเนี่ย น, น, นิรยคติพระองค์ก็อยู่ที่เห็นนะเดราชานก็อยู่ นรกอยู่เดระชานอยู่แต่เปรตนี่ยังไม่เคยเห็นว่ามีอยู่สูตรไหนว่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเปรตเนี่ยนะยังไม่ได้ยินพระโพธิสัตว์เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นเทวดานะีก็มีอันแล้วก็ในขณะเดียวกันพระองค์ก็พิจารณาเห็นสัตว์เกิดสัตตาเนี่ยนะที่ทำกรรมเนะี่ยพระองค์เห็นเยอะนะที่ที่ไม่เล่าบอกเนะี่ยมีมากกว่าเนี่ยนะหลายๆเรื่องที่พระองค์ตรัสเล่าเรื่องนรก เรื่องเปรตอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะมีผู้ถามคือมีพระโมคขาลานะเนี่ยเล่าพูดขึ้นก่อนแล้วพระองค์จึงเล่าพระองค์กลัวว่าถ้าพระองค์แสดงแล้วเขาไม่เชื่อเขาจะปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธถ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าล่ะอะไรจะเกิดขึ้น ก, ก็สงสารเขาอะนะก็เลยไม่เล่าบอกเพราะบางคนเนี่ยเล่าบอกแล้วไม่ใช่จะเชื่อใช่ไหมบางทีก็นึกดูหมิ่นคนบอกไัวเองก็เลยมีโทษ มันพระองค์บอกว่าเราจะไดนะ้ตามที่เราได้สังเวทคือตามที่เราได้สังเวทมาแล้วคือสะดุ้งถึงความหวาดเสียวมาแล้วด้วยตนเองทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเราได้สังเวทมาแล้วสรุปคาถาที่กล่าวไปนะหนึ่งคาถาว่าภัยเกิดจากอาทยาคือความชั่วทางกายวาจาของตนท่านทั้งหลายจงดูคนที่ทุ่มเทียงกันเราจะแสดงความสังเวทตามที่เราได้สังเวทมาแล้ว คาถาที่สองที่พูดถึงสิ่งที่น่าสังเวชก็คือภัยเข้ามาถึงแล้วเพราะเห็นหมูสัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่เหมือนปลาทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในที่มีน้ําน้อยและเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายทําร้ายกันและกันตัวสัตว์เองนะถึงไม่มีใครทําร้ายก็ดิ้นรนอยู่แล้วใช่ไหมในขณะเดียวกันยังดิ้นอนนยังทําลายกันอีกก็คิดดูนะอย่างคนในยุคนี้นะไม่มีใครไม่ค่อยมาฆ่าเท่าไหร่แต่ความโรคภัยมันเล่นงานเราเองนะ ก็เดือดร้อนอยู่โดยโดยลําพังตัวเองอะนะถามว่าใครไม่มีปัญหาสุขภาพบ้างแต่โดยมากไม่พูดเท่านั้นเองอะนะก็มีหนังสือทางแพทย์บางเล่มบอกว่าคนที่แสดงออกว่าตัวเองป่วยบางทีป่วยไม่มากเท่าคนไม่แสดงออกโดยซ้ําไปนี่นะคนที่ไม่แสดงออกบางทีป่วยมากกว่าคนที่แสดงออกแต่เขาไม่พูดเนี่ยนะเขามีอย่างอื่นที่กลบเขาไว้นะอันนะโดยโดยโด ย, โดยความทุกข์เนี่ยนะ อย่างแต่ว่าใครมณสิการมากกว่ากันเท่านั้นเองคือถ้าสังเกตให้ดีเราเห็นว่าแม่มนุษย์ด้วยกันนะฮในหมู่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยเกิดมานี้ก็กินกันเองครับ กันในลักษณะที่ที่ที่เอาเปรียบน ะ, ะเล็กๆ น, น้อยๆจนทั้งเอาเปรียบใหญ่น ะ, ะคือคนฉลาดก็ก็จะได้เปรียบคนโง่นะฮะคนที่เอ่อที่เก่งกว่าอะไรกว่านะหรือซับมากกว่ากําลังมากกว่านะก็เอาเปรียบโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะเช่นจําใจค่าแรงน้อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมท่านี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะ ซึ่งไม่รู้ตัวเลยก็บอกอ๋อนี่มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์อะไรอย่างเี้ยนะซึ่งมันเบียดเบียนกันเอแม้ในหมู่มนุษย์แต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะนี่เหมือนพวกสัตว์พวกสัตว์ทั้งหลายนี่นะฮะถ้าหารไม่พอมันกินกันเองหมดนะครับมันกินกันเองนะครับปลาเนี่ยเรอยู่ในถ้ามันหิวขึ้นมามันไม่มีอะไรนะมันสัดกันเองเลยนะครับเหมือนกันเลยครัเนี่มันเอาเปรียบกันเห็นชัดๆเลยอย่มนุษย์เนี่ยนะครับ แลอย่ประเทศที่ร่ำรวยมันก็เอเปรียบคนทประเทศยากจนคนนี้มีเครื่องมม้เครื่องมือทําหมา ก, กินดีกวากาก่ามันก็เอาเปรียบไอ้คนนั้นพอข้ามมันก็เอาเปรียบไอ้คนเอามาขายอะไรพวกเนี้ยอืมมันมั น, ม, นมันเป็นเงื่อนจริงนะในสัตว์ทั้งหลายก็มีการเบียบเบียนซึ่งกันและกันนะนะไม่มีไม่มีหมดไม่มีสิน้นแต่ก็เป็นอย่างนี้นะก็มีสเตตยว่าปลาทูหน้าตัวโตว ต, ว ต, วตัวหนึ่งนะ ถามว่าชีวิตของเขาเนี่ยคิดว่าสัตว์ตายเท่าไหร่ประมาณยี่สิบล้านตัวกว่าจะโตนะกว่าจะโตได้ถ้ามามายี่สิบล้านตัวหรือของเราเนี่ยเอาถามว่าถ้าพูดแต่เราอาจจะไม่ได้ค่าเองเนะร่างกายของเราเนี่ยผ่านมามีกี่ศพอ่ะที่มาอยู่ในเนี่ยของในในร่างกายเนี่ยนะถ้าแบ่งปันส่วนเนี่ยนะลดลดออกมาเนี่ยเซลล์อันนี้เป็นของสัตว์ตัวนั้นเซลอั น, นั้นเป็นของสัตว์ตัวโน้นเนี่ยนะ ผมไม่ใช่ผ่านมาน้อยเลยเนะี่ยมันก็มีการทำร้ายกันอยู่อย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลาย